สนใจนะพวกเราต้องสนใจนะต้องสนใจหน่อยนะมีปัญญาเราจะคิดสักการช่วยช่วยช่วยตัวเองช่วยคนอื่นก็คือช่วยตัวเองช่วยตัวเอง คือช่วยคนอื่นนั่นแหละช่วยตัวเองคือฝนอบรงช่วยเหลือตัวเองให้มีคุณสมบัติคนที่มีคุณสมบัติจะเกี่ยวข้องกับใครมันก็ได้ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือกันมันไม่มีใครไม่อยากได้ประโยชน์อกในโลกเนียอยากได้ประโยชน์กันหมดนั่นแหละ แต่บางทีก็อับจนปัญญาไม่รู้จะเอาอะไรไปนึกไปคิดไปช่วยที่จะจัดโน้นจะทำนี้มันไม่มีปัญญาตัวเดียวนี่แหละมันเลยให้งอมืองอตีนไปหมดดูเหมือนมีแต่ตาปิ๊บปๆ๊ปบนั่นแหละมันคืนลงไปก็ไม่ได้อะไรบางคนก็ยึดหลักเอาคนให้ภาวนาพุทโธไม่มีอะไรก็กอด กูโทนแน่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ะ mm. ก็ไปอีกอย่างหนึง่ง mm. บางทีแค่จะมองให้เห็นอย่างนี้มันก็ไม่ให้มองเพราะความอับจนปัญญานี่มันมองไม่ให้เห็นประโยชน์เพื่อที่จะได้ถือเอาประโยชน์มันไม่ให้มองมันมองไม่เห็นน่ะ มันก็งอมืองอตีนไปหมดแหละ ท, ที่สําคัญอย่างอื่นข้างในนหละอะไรจะเจินงเงาะเงยเจรง่งองางามก็ไม่มีอยู่ไปวันๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะใจดวงนี้แหลยถ้าไม่มีอะไรชักชวนในทางที่ดีมันจะมีสิ่งชักชวนในทางที่ไม่ดี ใจของคนเราเนี่ยไม่ใช่อยู่อย่างนั้นแล้วจะแ ล, แล้วจะแล้วนะมันไม่ใช่ในเมื่อธรรมะไม่ชักชวนกิเลสมันก็ต้องชักชวนมันไม่ใช่อยู่เฉยเฉยเหมือนอย่างวัตถุอย่างอื่นเราจับวางยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นจิตเรามันไม่อยู่นะมันไม่ใช่ไม่จับวางได้ งั้นเราจับวางให้เขาอยู่กับพุโทโธก็ ง, ง่ายสิสะดวกสิกล้วยสิสํารวจตรวจต ร, ราดูจิตของตัวเอง <c oughs> มันกล้วยหรือไม่กล้วยกล้วยหรือไม่กล้วยธรรมะไม่ได้พาทํางานกุศลไม่ได้ทํางานพาทํางานอะกุศลมันก็มาแทรกอยู่ในขณะเดียวกันไม่ใช่มันอยู่ๆเฉยๆอย่างนั้นนะ เหมือนวัตถุไม่ใช่และเรื่องของกิเลสที่มันพานึกพาคิดพาปรุงเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียกร้องหามันมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นเองเพราะอันนี้มันเป็นเจ้าเป็นจอมมาด้วยกันครุกครีติโมงมาด้วยกัน มันเป็นเจ้าเป็นจอมหัวใจของเรามากี่กับกี่กันโพเลชันนะมีใครระลึกได้บ้างไม่มีใครระลึกได้โอ้จิตเราเพิ่งเกิดขึ้นได้ประมาณเท่านั้นปีประมาณเท่านี้ปีไม่มีมมละถาม ล, ล, ลึกละเอียดเหมือนอย่างที่พุทธเจา้าท่านทรงตอบมาละเบื้องต้นไม่ปรากฏฟังเถอะว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏ หากทุกอย่างพัฒนามาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องของจิตมาเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องของสังขารอย่างหนึ่งมันประกอบไปด้วยธาตุรู้และธาตุไม่รู้อยู่ด้วยกันธาตุโง่ ก, กับธาตุฉลาดอยู่ด้วยกันธาตุบุญกับธาตุบาปอยู่ด้วยกันธาตุทำกับธาตุเกลียดมันอยู่ด้วยกันมันถึงจึงทำให้จิตตรงนี้เนี่ย อยู่ไม่คงที่มันถูกพัฒนามาเรื่อยถูกพัฒนามาเรื่อยเบื้องต้นไม่ปรากฏเบื้องต้นพูดได้ว่าอวิชชาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เบื้องต้นพูดได้ว่าอวิชชาคําว่าอวิชชาคําเดียวนี่แหละมันเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมอ๋อดึงมา กำหนดจับ จ, จอบพิจารณาดูในปัจจุบันมันก็อาวิชาอาวิชาก็คือเราไม่มีสติปัญญาตามรู้ฝ่ายต่ําที่มันแอบมาแอบขโมยดึงจิตของเราไปใช้เนี่ยมันไม่ทันนะไม่รู้เหมือนเส้นผมบังพวกเขางพับมาดึงไปแล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแพ้ามาลากไปแล้วไปตกกี่ทวีอยู่ก็ไม่รู้แหละอ๋อ เราเลึกได้ตามหลังโอ้อพุทโธพุทโธพุทโธแผลกี่ทกีอยู่ไป็นมรุ้เส้นผมบางภูเขาท่านจึงให้ฝึกประจำเนี่ยผู้รู้ของเราเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นมามีทั้งรู้และไม่รู้มาด้วยกันอวิชชา อวิชชามากับผู้รู้รู้คือวิชาไอ้ความไม่รู้นี่คืออวิชชาไม่รู้ว่ามันผิดมันชอบมันชั่วมันดีมันอะไรแต่ไรล่ะไม่รู้ภาวะความเป็นมาของตัวเองไม่รู้เหตุปัจจัยที่ควรจะทำอะไรเพื่อเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมจริงๆศึกษาจริงๆ ไม่รู้ข้อปฏิบัติในเมื่อไม่รู้ไม่รู้ข้อปฏิบัติก็อยู่อย่างนั้นอยู่สักได้วา่ารู้รู้มนุษย์เรารู้ดูขยับเข้าไปดูสัตว์สัตว์มันก็รู้สัตว์มันก็มีจิตนะมันเป็นธาตุรู้แต่ความรู้ของมันกับความรู้ของคนเนี่ย เทียบกันไม่ได้ของเขานี่ศักดิ์เดียสัญชาติสัญชาติญาณรู้มีปัญญาบ้างนิดหน่อยมีความฉลาดนิดหน่อยพัฒนายากมากพัฒนาไม่ขึ้นเราดูเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราพัฒนาอะไรมันได้ง่ายสักเท่าไหร่พัฒนาไม่ได้หรอกพัฒนาได้นิดหน่อยตัวไหนพัฒนาได้ เห็นแปลกหูแปลกตาโอ้เชี้นิยมชมชอบสัตว์ตัวนั้นดีสัตว์ตัวนั้นฉลาดอย่งนั้นฉลาดอย่างนี้ก็พัฒนาได้แค่นั้นเองเพราะบุญเพราะกรรมมันจํากัดกรรมมันจํากัดเขาอยู่แค่นั้นพัฒนาไม่ขึ้นมนุษย์พัฒนาขึ้นพัฒนาไปได้เร็วเพราะมนุษย์มีหนอเนื้อเชื้อชาติแห่งความฉลาด นี่อยู่ในมนุษย์นี่ยแหละเพราะพพชาติของความเป็นมนุษย์มันเป็นภบชาติที่มีบุญมาเกิดมีบุญขนาดที่พอจะเป็นมนุษย์นะ่ะถึงมาเกิดไม่งั้นเกิดไม่ได้มนุษย์เกิดยากก็จริงแต่ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมาแล้วมีบุญมาแล้วไม่งั้นไม่ได้มาเป็นง่ายๆมนุษย์ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่ว่าความยากอันนี้เนี่ยเราได้มาแล้วอยู่ในมือเราแล้วอยู่ในกำรร ม, มือเราแล้วเราคิดถึงอย่างนี้แล้วเราก็เสียวหลังวาดไหมเราดูไปข้างหลังเนี่ยโอ้เราได้มาแล้วเราเกิดมาแล้วเราพัฒนามาแล้วคุณสมบัติเขาไม่เท่ากัน บางคนก็สักถ้าว่าเป็นมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เฉยๆคุณสมบัติอะไรจะพัฒนาขึ้นกน็ยากมากถึงแม้จะเป็นพบชาติที่พัฒนาไปได้เร็วเพราะอะไรเพราะกรรมมันจํากัดอีกเหมือนกันพอได้เกิดสักถ้าว่าเป็นมนุษย์บางคนก็เป็นมนุษย์มีปัญญาฉลาดเข้าไปบางคนก็เป็นเป็นผู้มีฉลาดมีความฉลาดมีความรู้เป็นปราศ มีความรู้เป็นอัจฉริยะอะไรเป็นข้อแตกต่างทําให้มนุษย์เป็นอย่างนั้นก็บุญของเขานั่นแหละความฉลาดในใจของเขาเ น, นหละทําให้เขาแตกต่างเราดูไปที่บัวซีเหล่าเป็นคําสอนที่ครูบาอาจารย์เอามาเพรศมาเปรียบเทียบประเภทพระธรรมะเนี้ยบัวที่ต่ําสุด โล่พึงพ่งโผล่มาจากขี้โคลนขี้ตมบัวเหมือนกันแต่เป็นบัวเพึงพ่งโผล่มาจากขี้โคลนขี้ตมอันตรายบัวที่เพึงพ่งโผล่ขึ้นมาจากขี้โคลนขี้ตมเนี่ยเป็นบัวอ่อนๆนะครับมันอยู่ต่ําๆนะไม่รู้ เ, เต่าจะเอานออ่อนๆไปกินวันไหนเมื่อรู้ปรามจะมากัดกินตอนไหน จึงเสี่ยงต่อการที่จะโผลขึ้นมาโผลขึ้นมาโผลขึ enos, ้นมายืดขึ้นมายืดขึ้นมาเพื่อที่จะมาอยู่กลางน้ําได้ต้องอาศัยบุญอีกเหมือนกันยืดมาจากที่ตมขี้โคลน่ะมาอยู่กลางน้ําได้กลางกลางน้ําความลึกของน้ำเท่าไหร่น่ะสมมติสี่สองมาอยู่กลางน้ําได้โผร่ขึ้นมาได้สองสองมาอยู่กลางน้ําได้ นี่คือความบึกบึนความต่อสู้ของมนุษย์พัฒนาตัวเองจากกลางน้ำมาเสมอน้ำนะอยู่ได้พัฒนาตัวเองได้ยืดจากกลางน้ำไปเสมอปลิมน้ำเมสูงขึ้นไปปลิมน้ำสูงขึ้นไปโผล่จากน้ำไม่เห็นได้ผลได้ปัจจัยเพียงพอ ถ้าเป็นบัวจริงๆก็นุ่นละมีแสงอาทิตย์ส่องมามีความร้อนบานรับแสงอาทิตย์นี่นี่เป็นคําเปรียบเทียบการพัฒนาจิตของมนุษย์พัฒนามาอย่างนี้อันนี้เราเทียบไปที่บุญที่กรรมของมนุษย์ก็ได้มนุษย์ระดับหนึ่งสักดิ์ทว่าเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับ น, นุ่นอ่ะปะะพระมหากันอ่ะยึดติดดินนั่นอ่ะ มนุษย์เนยะเนยะมีความฉลาดพอบอกพอสอนได้ก็เท่ากับบัวที่โผล่ขึ้นมาแล้วอยู่กลางกลางน้ําสอนตัวเองอบรมตัวเองโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆไปเสมอน้ําวิ ป, ปจิตันอยู่เสมอน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ําอกคติตันอยู่พร้อมที่จะบาน ไม่ใช่บานโดยทีเดียวพร้อมที่จะบานยังต้องคอยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอีกกว่าจะได้บานคอยเวลาคอยอากาศที่พอดีคอยเวลาคอยความแก่ความพร้อมนี่แหละสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพร้อมที่จะบานถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นอัจฉริยะมนุษย์ สิ่นี้ก็ต้องประกอบไปด้วยบุญด้วยเต่าจะเป็นอาหารของเต่าของปลาก็บุญขนาดนั้นระดับนั้นอยู่กลางๆน้ําก็บุญขนาดนั้นระดับนั้นเสมอน้ําก็บุญขนาดนั้นระดับนั้นถ้าเปิดถ้มีปัญญาก็บุญขนาดนั้นระดับนั้นจะให้เท่ากับนั่นนะพระธรรมมามันก็ไม่เท่ามันก็สูงขึ้นมามันก็โปร่งขึ้นมา โปรพ้นน้ําขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์อัจฉริยะพร้อมที่จะบานเนี่ยจะให้มันเท่าเสมอน้ําก็ไม่ได้จะให้มันเท่ากลางกลาน้ําก็ไม่ได้มันถูกพัฒนามาแล้วมันถูกพัฒนามาแล้วเนี่ยมนุษย์เกิดยากสัตว์มันพัฒนายากแต่มนุษย์เนี่พัฒนาไปได้ง่ายเบื้องหลังของมนุษย์ถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือน บซีเหล่านี้แหละแต่ว่าด้วยเหตุที่มาปัจจุบันนี่พัฒนาได้เหตุอย่างหนึ่งที่เป็นกรรมส่งมาเนี่ยมันก็ส่งมาแล้วมาเทียบเท่ากับโผลเจากจากดินกลางน้ำเสมอน้ำพโพลขึ้นน้ำนี่บารมีเก่ามันส่งมาแล้วถ้าเราจะเทียบ แต่มันสามารถพัฒนาไปได้มันเป็นพบชาติที่พัฒนาไปได้เร็วไม่เหมือนสัตว์สัตว์พัฒนาไม่ได้พัฒนาไปได้ยากมากโอกาสที่จะได้ทําบุญมีน้อยมากเหมือนลิงที่ไปอุปธรรมธาตุพุทธเจ้านั่นแหละครถือว่าเป็นบุญช้างอุปธ ร, ธรรมธาตุพุทธเจ้าน่ะ น, นับว่าบุญมากร้อยละเท่าไร่กว่าจะได้พันละเท่าไรล้านละเท่าไหรกว่าจะได้ พอจะไดประสบพบเห็นอย่างนั้นคือโอกาสมันไม่อำนวยมันพัฒนาไปไม่ได้ถึงพัฒนาไปได้ได้แค่นั้นเองอถึงแม้ว่าจะได้ทําบุญอย่างเต็มที่ในอัตภาพนั้นผลบุญจะส่งให้เต็มที่แต่เมื่อดับอัตภาพนั้นไปแล้วผลบุญบุญถึงจะส่งให้ส่งให้เหมือนโคสกานะั่นแหะสุนัขที่เป็นโคศากานะอา่าไปรัก ไปรักพระอริยเจ้ารักพระอาหารหันเนี่ยรักห่วงถนอมเวลาท่านเดินมาหาบ้านเจ้าของเนี่ยเพื่อที่จะมาขบมาฉันเนี่ยพระเจ้าของบ้านเนี่ยปนิมัให้ท่านมาฉันที่บ้านประจวิ่งออกหน้าเห่าหอนไล่อสรพิษนั่นคือกรรมที่เขาสร้างในอัตภาพเป็นสุนนะัก รักในพระอรหันต์นั่นะรักเคารพเห่าหอนไล่สัตว์อสุรพิษที่มันจะพึงขวางหน้าท่านะน่ะท่านเดินเดินตามหนทางไปเป็นหญ้าเป็นอะไรรกๆสุนัขตัวนี้ก็เห่าหอนออกหน้าเป็นการไล่ศัตรูออกให้ปลอดภัยเนี่ยผละหนนี้สองจะให้ได้ต่อเมื่ออั ต, ตภาพต่อไป เขาถึงจะได้พอตายจากอัตาภาพนั้นอ่ะอันตาภาพหลังมาเนี่ยเขาได้ไปเป็นเทพเทพบุญนั่นโคสกะเทพปบุตรอันนี้สง์ที่เห่าหอ น, นั้นโอ้เสียงกล้องอ่เป็นนักร้องชื่อดังชื่อเยี่ยมอยู่บนสวรรค์นั่นโคสกะเทพบุตรเสียงกล้องหมดโลกกระทาของเทวดานอันนี้สงได้ได้เห่าหอนนะฮะ มันจะให้ผลต่อเมื่อขยับจากอัตภาพนั้นไปโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นก็นยากมากใช่ไหมมันไม่มีตัวอย่างที่จะยกมาให้ดูว่ามันเป็นภพชาติที่อาภัพจริงๆเราพูดอย่างนี้แล้วเราก็มาดูที่เราเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเนี่ยสิ่งที่เราว่าเราได้ยากยากยากยากโอ้เราได้มาแล้วโอ้เลิก โอ้พระเสด็จท่านว่าเลือดท่านว่าประเสด็จเรามองมาทําไมมันหนักหน่วงทง่วงจิตท่วงใจเหลือเกินนะแต่การพัฒนามันทําให้เราพัฒนาไปได้เร็วไม่เหมือนสัตศัตว์นี่พัฒนาไปไม่ได้พัฒนาไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเอง พัฒต า, าชีวิตอยู่ดีกินดีถูกต้องพวกเราอยู่ในศีลด้วยธรรมก็ให้ถูกต้องด้วยศีลด้วยธรรมหาอยู่หาขบหาฉันหาอะไรเพื่อเลี้ยงชีวิตก็ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมชีวิตจิตใจส่งผลไปที่จิตใจจิตใจก็เอาศีนเอาธรรมมาหล่อเลี้ยงให้เขา เอาศีลมารอเลี้ยงให้เขามีกรอบคนเชื่อว่าศีลแล้วมีกรอบเราทํามาเราเลี้ยงให้เขาเจริญธรรมภายในใจเพื่อให้ผู้รู้ดวงนี้นี่เพิ่มพูนความฉลาดเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธขัดเกล่ำพระเจ้าให้สอน พัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเองมนุษย์ต้องพัฒนาบางทีไอ้แค่คำว่าพัฒนามันก็คิดไม่ออกนะแค่คาว่าพัฒนามันก็คิดไม่ออกหรอกเพราะบุญบุญมันไม่ตอมันไม่มีไม่มีบุญตอถึงขนาดนั้นก็มีขั้นนั้นก็มีเราก็ดูสิมนุษย์บางคนเกิดมามเกิดมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้น อันนั้นจะดีเออเดี๋ยวถวนมาซ้ําเติมอันนี้จะดีอันนั้นมารับซ้ําเติมคนหูหนวกตาบอดวิกลวิการเห็นไหมศักดิ์ทวาเป็นมนุษย์จริงๆวิกลวิการเป็นคนบ้าเป็นคนที่มีจิตไม่สมประกอบเนี่ยรูปธรรมกับ น, นามมาทำไม่สมประกอบกันก็เพราะอะไรก็เระกรรม คำเก่ามันทับมันถมมันหนักมันหน่วงมันพัฒนาไม่ขึ้นแต่หากมีศิลมีธรรมยุคจยู่ในอัตภาพเป็นมนุษย์แต่ก็พัฒนาไปไม่ได้เหมือนมนุษย์ที่ก็มีเกรดดีดีกรีดีเนี่ยมันต่างกันนะมันแตกต่างกันต่างกันนเหตุปใจบางคนสักพว่าเป็นมนุษย์ก็เหมือนปฐประมะนั่นแหละ บางคนเป็นมนุษย์ชั้นดีมีปัญญาตั้งแต่กลางน้ําขึ้นไปโผล่เสมอน้ําโผล่ขึ้นน้ําเป็นปราดเป็นบัณฑิตเป็นอัจฉริยะบุคคลเป็นอัจฉริยะมนุษย์พูดอะไรป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊เหตุผลเข้าใจโโรทะลุกกุโปร่งหมดแต่ในขณะเดียวกันะคนพะทะประมาอย่างคิดอะไรไม่ออกมึดตึ้ไปหมด คนที่เป็ น, ปนอัจฉริยะเขมองทะลุปลูกโปรงหมดปัญหาอะไรเหตุเพื่อดีอย่างนั้นเพื่อดีอย่างนี้เหตุเพื่อชั่วร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่อัจฉรยิยะก็มองทะลุปลูกโปรงหมดพร้อมที่ที่จะปฏิบัติได้ถ้าเป็นของต้องขบต้องเที่ยวเข้าป่าเนีขาลิ้มรสแล้วเข้าป่าแล้วเข้าท้องแล้วเรายังไม่ตื่นยังไม่รู้จักอะไรเลยเราดูที่มนุษย์ <laughs> พัฒนาไปได้ก็จริงอยู่เราดูกรรม ม, มันทับมันถมอยู่เราดูสิ่งที่น่าพึงกลัวพึงสำ่รวมระมัดระวังที่สุดคือกรรมเป็นต้นต่อของผลที่เรามีสุขมีทุกข์ผลฉลาดผลโง่ผลสุขผลทุกข์มันก็มาจากกรรมนี่แหละกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรม กายกรรมก็ต้องมโนกรรมวจีกรรมก็ต้องมโนกรรมประกอบกันกายกรรมอย่างเดียวขาดเจตจำนงมีผลไหมก็มีอยู่แต่ผลมันไม่แรงเหมือนเราทํากรรมใดๆที่ประสิากเจิตจำนงประสิทธจตตนากรรมมันไม่แรงมันสนองไหมสนองแต่กรรมมันไม่แรง แต่ถ้าเราเกีจรติจำนงสร้างกุศลกรรมมันแรงบางอย่างเขาเรียกมหากุศลเลยทีเดียวเพราะเรามีความจงใจมีเจียรติจำนงเต็มร้อยมันจะทําให้เหตุเหตุนั้นน่ะมันเป็นเหตุที่จะเพิ่มผลได้อย่างยิ่งใหญ่ที่เดียกว่ามหากุศลท่านจัดเป็นมหากุศลเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่สักดิ์ศรีกุศลเฉยๆสินสินก็เหมือนกันกรรมก็เหมือนกันเจตนาหั่นพิฆเวสีหลังวดามิเจตนาหั่นพิฆเวกรรมมังวดามิพิสุทธทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวศินพิสุท์ทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรม เจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวสินดูไปที่ไหนเจตนาแล้วก็ดูมาที่ใจของเราเจตนาความจงใจดูไปที่ใจของเราเราดูกิริยาภายนอกเราดูไม่ออกคนอื่นนึกคิดอะไรยังไงเราดูไม่ออกเราดูพกิริยาภายนอกเราดูไม่ออกเราอยากดูคนอื่นออกเราก็ต้องมาดู ภายในของเราเรามีเจตนายัางไงเรามีเจตนายัางไงเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเจตจนงคิดปรุงนึกตระ เตรีมเหตุการณ์อะไรแต่หลายเพื่อที่จะลองมือทําด้วยกายด้วยวาจารนั่นตัวน่า ต, ตัวเกียตจําลองตัวเกียตินามกมองมาที่ใจมันกิริยาละเอียดเข้าไปที่ใจประกอบไปด้วยจิตปกติมีสติดีมีสัมผััญญะดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีมีข้อมูลรอบคอบทางพร้อมด้วยข้อมูลไปเหตุผลอืม เจตจำ侬 น, นั้นก็ออกมาได้ดีเจียรติจำงจึงเป็นกรรมที่เราควรทําพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนี่เป็นเจียรติจำงข้างในนะเราดูไปไต่เจียรติจำงเราข้างในชัดเจนไหมเกียรตนาดําริพุโทโธพุโทโธพุทโธเจตนาแรงแรงมันก็อยู่ เจตนาครึ่ึงกลางกลางเจตนาเบาเบาเจตนาสักทอเจตนามันก็ไม่อยู่เจตนาขั้นรุนแรงคือเจตนามีความจงใจพร้อมโโร่ถ้าเป็นไฟก็จ้ากับเหตุที่เราจะดำริขึ้นพุทโธพุทโธมันก็จ้าอยู่กับพุทโธมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปไหมมันก็ไม่อยู่จ้าแป๊บเดียว มันมองลงมองลงอา่าเราก็ต้องประคองอยู่อย่างนั้นแหละุดโธหุโถเอาสติกับสมชัญญาเอาปัญญาเอาสมาธิประคองสมาธิเริ่มมีความสงบภายในก็เริ่มมีปัญญาก็เริ่มดีสติก็เริ่มดีสมาชัญญาก็เริ่มดีสมาธิก็เริ่มดี เจ็ดจำนงที่บริสุทธิ์ก็เริ่มมีเราลองทำลองดูพางครั้งทำไปจืดๆคลอยๆมืดๆเจ็ดจำนงของเราเนี่ยทไมมันอยู่ลึกดึงยากเหลือเกินตะโกนี้มันลั่นกล้องโล ก, กระถาลองดูพุโทโธพุทโธเดี๋ไปออกปากกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้โดนไล่จับกันนะ การสร้างเจตนาของตัวเองให้มันเด่นชัดแต่มันโร้อยมันเป็นร้อยแต่มันเป็นหนึ่งนั่นะตรงนั้นตัวนั้นแหละเจตนาหังนพิกเเวะกำมังวดามิเจตนาหังนพิกขเวสีลังวดามิพร้อมด้วยสติด้วยสัมมิชนยะเต็มร้อยนั่นแหละตัวนั้นแหละมีแรงตัวนั้นแหละมีพลังทําอะไรก็เกิดเกิดเกิดเหตุเกิ ด, ก ด, กดผล เกิดการพัฒนาแต่ถ้าตรงกันตรงกันข้ามสักตะวาพัฒนาก็ไม่ทันเขานอกจากนั้นแล้วก็ไม่ทันไม่ทันเขาคือไม่ทันกิเลสกิเลสมันดึงไปพัฒนาเอาเอาเองหมดกิเลสนี้เป็นพลังธรรมชาตินะเราไม่ต้องสร้างต้องทำให้มันมันสร้างมันทำเอาเองกิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจมันสร้างมันทำเอาเอง เราไม่ต้องไม่ต้อไปสร้างไปทําให้มันไปตั้งเจตนาให้ดีนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธของเรานะกับศีลของเราฝึกลงแล้วกับศีลกับธรรมของเราเนะี่ยวิริยามารยาทความประพฤติการพูดการจาอะไรนะให้ระวังไม่ระวังคือมันขาดข้อพึงสำเนี๊ยบพึงระวังขาดสตินั่นแหละเราก็โดนไปที นี่มันง่ายทีไหนมันไม่ง่ายไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจดูแล ร, รักษาจริงจังศักดิ์วาจริงๆนะมันไม่ได้อะไรนะมันคืนน้องไปมันไม่ได้อะไรมันศักทิ์วาจริงจริงขาดการใคร ilt, ่ครวญไตรตรองเอามันจงทุกขณะจิตลองดูสิยืนทำไม่ได้ทุกขณะจิตเดินทําไม่ได้ทุกขณะจิตนั่งทำไม่ได้ทุกขณะจิตนอนทำไม่ได้ทุกขณะจิต ราำรองสติไม่ได้จะหลอดนี่คือพัฒนาต่อเนื่องใครตั้งใจทำได้อย่างนี้เจตนาของคนนั้ น, นแรงเมื่อเจตนาแรงผลมันก็แรงเมื่อผลแรงผลเพิ่มกุณามความดีในใจบุญเพิ่มในใจของเรามันก็แรงอย่าลืม อย่าลืมพัฒนาตัวเองดูไปที่จิตของตัวเองพัฒนาอย่าไปไปยินดีพอใจอยู่แค่เงาบัวที่เพิ่งโผลม่มายากคิดตรงที่โคลนั่นแนะหละรู้จักการยืดรู้จักการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มเติมกรรมของตัวเองยืดขึ้นมายืดขึ้นมามนต้องรีบต้องรีบต้องรีบไม่รีบไม่ได้ถ้าไม่รีบมันก็ไม่เก๋ ที่พลอขึ้นมาที่พลอขึ้นมาที่พลอขึ้นมาไอตัวที่ไอตัวที่อยู่ข้างล่างมันก็มันไอตัวที่มันยืดออกมามันก็เริ่มแก่เริ่มแก่ตั้งแก่ไม่รีพลอไม่รีพลอมันความเป็นอ่อนความอ่อนอ่อนต่อพลโนบายมายาของกิเลสก็เหมือนบัวมันอ่อนนั่นแหละยอดบัวเงาบัวอ่อนอ่อนนะั่นแหละ ดอกบัวอ่อนๆใบบัวอ่อนๆมันโผล่ขึ้นมาสัตว์มันก็เอาไปกินกรีบเบ่งบานตัวเองดันออกมาให้มันมีความแก่เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองสุกลงแล้วคือกรรมมีเกเจจำลนงสร้างกรรมให้เต็มร้อยสร้างกรรมอะไรเนาะสร้างกรรมอะไรเนาะ พูดโทพูดโธพูดโทรเลยนะอืดูอะไรก็ดูไม่ออกดูอะไรก็ดูไม่ออกดูไม่ออกมันไม่มีมันไม่มีปัญญามันดูไม่ออกไม่มีอะไรเราจับได้แค่นี้แหละันสิ่งเดียวนี่แหละพูดโธพูดโท ร, โท ร, โทรเอาเป็นเอาตายอยู่กับอันนี้แหละหลักที่สุดห่วงที่สุดมีคุณค่าที่สุด เราครับประคองเอาเป็นเอาตายอยู่นี่แหละนั่งริมตัวอย่าปล่อยตัวร้อยเนื้อปล่อยตัวคุณสมบัติที่จะมาสร้างมาทําสิ่งเหล่านี้ก็นน้อยไปไปก็ไม่ทันเขาไม่ไม่ไปหน้าไม่ถึงไหนไปไม่ถึงไหนหล่ะเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งพลั้งเรลอก้าวพลาด โดนเจ้าเต่าหิวเสือหิวโดนเจ้าปลาหิวงับไปกินแล้วโอเป็นใบบัวเป็นใบบัวยอดยอดกุดเป็นดอกบัวดอกกุด อย่าส่งเสริมอกุศลนในหัวใจของเราย่าส่งเสริมบำรุงกุศลธรรมในหัวใจของเรามึอก็เราเพิ่มพูนความยืดของต้นบัวของใบบัวอย่าไปส่งเสริมความชั่วเลวร้ายไม่เป็นการพัฒนาตัวเองขาดทุนสุนดอก เดินถอยหลังไม่พัฒนาความแก่ความเกี่ยบความตายมันพัฒนาไปของมันเราไม่ต้องไปสร้างปรุงทําอะไรให้กับมันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนั่งอยู่ที่เฉยนี่แหละความแก่มันปรุงของมันเองสังขารมันปรุงมันบีบตัวของมันเองสังขารมันไม่เคยหยุดอยู่กับที่ สังขารมันดิบตัวมันเองมันปรุงของมันเองสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราประมาณไม่ได้วันคืนล่วงไปอายุข ข, ของเราก็ล่วงไปความเลวร้ายอกติสทั้งหลายมันก็เพิ่มพูนเข้ามาเพิ่อเพิ่วเเพิ่มพูนเข้ามาเราต้องบำรุงต้องส่งเสริมความฉลาดต้องบำรุงส่งเสริมความขยันหมัน่นเพียร ต้องเสริมสติปัญญาความรอบรู้มันเป็นอุปกรณ์อันเป็นปัจจัยเพื่อปัญญาเพื่อความฉลาดเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดเป็นปัจจัยเป็นสาคัญเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่าลืมตัวลืมตัวที่ไรศิวนนี้ด้อยไป อ๋อจบแค่นี้แหละทั้นี้แหลยอ้าวพระขอนิสัย